บรรดาลูกลหลานทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่16มกราคม2522การบันทึกเสียงคราวนี้ก็สืบเนี่ยมาจากว่าเมื่อวันที่1 2มกราคม2522ได้เดินทางไปที่จันทึก เป็นหน่วยทาหารเกษตรซึ่งมีพันโทสีพันวิชุพัน์เป็นเฉพาพแล้วก็วันที่สิบสามได้มีโอกาสไปชมสุนัขสงครามที่ทำการฝึกรู้สึกว่าคราวนี้ลูกหลานไปรวมกันทั้งหมดความจริงหลานไม่มีมีแต่ลูกกับน้องกับแม่ ที่ไปรวมกันที่นั่นก็เห็นประมาณแปดสิบเศษความจริงยังไม่ครบแล้วก็ได้ไปชมการฝึกสุนัขในเบื้องตน้นรู้สึกว่าสุนัขนี่มีระเบียบดีมีวินัยดีมากมีความเคารพผู้บังคับบัญชาได้ดีรู้เมื่อดูสุนัขแล้วก็รู้สึกในใจ ว่าเวลานี้คนเราเชื่อว่าบางคนก็ควรจะตอบก็ว่านาคนที่รู้สึกว่าจะมีวินัยสู้สุนักพวกนั้นไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมักจะเลยเถิดไปเสมอดันั้นถ้าหากว่าคนทุกคน ถ้าจะเอาวินัยและระเบียบของสุนัขพวกนั้นมาประพฤติปฏิบัติช้างของเราก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองที่พูดนี่ไม่ใช่ประนามบุคคลทั้งหลายคนดีเขามีมากแต่คนเลวที่เลวเลยพอดีก็มีมากรวมทั้งนักบวช ท, ที่เลวเลยพอดีก็มีมากเช่นกัน พอเวลาตกกลางคืนก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เรื่องร้องรำทำเพลงนี่ลูกรักทั้งหลายพ่อไม่ได้สนใจมานานแต่ว่าคืนนั้นมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่ามีความชื่นใจแทนที่บรรดาลูกกับน้นองและแม่ทั้งหลายที่ไปรวมกันในที่นั้น จะทำวิธีการรอบกองไฟกับเราก็ทำกันใต้แสงไฟคนกองไฟก็ลุกโชนอยู่ข้างนอกเราทำกันเทวรําราหมายถึงว่าลูกดาลูกรั ก, กันน้องแล้วก็แม่มันนั่งร้องรำทำเพลงในวันขึ้นเด็ก แต่ความจริงพวกที่ไปนั่งก็เด็กเพราะว่า <c oughs> เด็กมากบ้างเด็กน้อยบ้างร้องรำทำเพลงกันแบบสนุกสนา น, นแต่ว่าการร้องรำทำเพงลงเขาบรรลลูกทัก้งหลายพ่อนั่งดูอยู่กับพระแต่พ่อตาลายไปหมดมันเป็นคุนแก่ มองไม่เห็นหน้าลกูกไม่รู้ว่าลูกคนไหนร่างหน้าตาเป็นยังไงตาใสหูป้าตาฟางคนแจตตาไม่ดีกลับไปเห็นภาพอีกภาพหนึ่งเข้ามาแทนที่นั่นก็คือได้ขวาเป็นภาพของสตรีทั้งหลายแต่งตัวสวยสดงามเหมือนนางฟ้า <c oughs> แต่ว่าด้านทางซ้ายเป็นพวกของผู้ชายการมารวมตัวพ้อนรำกันในวันนั้นรู้สึกว่าพวกเขามากกว่าพวกเรามากถ้าจะนับประมาณกันก็ฝ่ายหลายหลายคนฝ <c oughs> ่ายผู้หญิงก็รารำชุดช้อยสวยสดชุกงามมากทุกร่างหน้าตาทาั้งหสวยคนที่เป็นคนหน้าาส เห็นบอกนามว่าชื่อว่าพณวดีสีโสภาสเธอแต่งตัวชุดสีทองแล้วก็ทุกคนที่แรกก็รู้สึกว่าจะแต่งตัวชุดสีเขียวยิงได้ถามเธอว่าทาไมจะไม่ต้องแต่งชุดสีทองให้เหมือนกันเธอก็ตอบว่าถ้าท่านพนหน้าแต่งชุดสีทอง แต่ลูกน้องเลืกคนรองลองลอ ง, องไปควรจะเป็นสีเขียวที่ได้บอกกับเธอว่าควรจะเป็นสีทองทั้งหมดเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นคนเสมอกันโดยตำแหน่งหน้าที่เดิมไม่ได้เคยคิดว่าใครใหญ่ใครเล็กมีความรักเท่ากันและมีความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมสม่ำเสมอกัน เธอทั้งหลายผู้นั้นก็กราบคนหน้าก็กราบและทั้งหมดก็ปรากฏว่าแต่งเป็นผู้ชีของนั่นหลังจากนั้นเธอก็รำกันต่อไปสําหรับฝ่ายชายอยู่ข้างซ้ายหรือว่าแต่งรู้สึกว่าแต่งตัวตามสบายโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระยานจำพันรำขวานน่ารักตอนที่ก็ร้องว่า คุ้นแผนแค่เส้นสีหมอกตอนนั้นพญานาพัยก็สร้างภาพป้าสีหมอกขึ้นมาสูงใหญ่มากกระโดดปั๊บหัวทิ้นดินเลยหลังมาไปเหตก็แกล้งตลกเขงบอกว่าไอ้มาตัวนี้มันเล็กเกินไปแต่ความเพยงมันสูงใหญ่มากความวาล้ำขวานครองขวานไลยดีเมื่อเพียงนั้นจบ คว จ, จะจบก็ปลากฎใหม่โซนหนึ่งจากด้านทิศเหนือคนนี้ปริมาณที่มารู้สึกว่าจะเลยแสนเขาบอกว่าขอให้ร้องเพลงนี้ใหม่ชอบใจจะมาเล่นด้วยเรื่องมันก็เกิดความสงสัยแรนขึ้นตอนนี้ตอนที่เขาจะร้องใหม่รู้สึกว่าัวหน้าคณะต่างๆ เข้ามายืนอยู่ข้างหน้าเรียงรายกันเป็นแถวทจียงได้ถามว่าวันนี้ทำไมเจียงสนุกสนานมากเป็นกรณีพิเศษเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้วไม่เห็นสนุกสนานแบบนี้ท่านก็บอกว่าท่านทราบไหมระหว่างนี้คำเหมิงเคารพกัน แม้ก็เหม่อมฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้แต่ก็ถือว่ายังไม่แพ้เด็ดขาดสงครามในอินโดจีนยังจะยืดเยื้อต่อไปอีกนานแม้กระในที่สุดผลที่มันจะเกิดขึ้นมาก็จะกลับจากซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายหรือว่าหน้าเป็นหลังหลังเป็นหน้าแม้ก็โดยเฉพาะ อ, อย่างยิงย่งวันนี้เป็นเรื่องสําคัญ คือในระยะตอนต้นวันนั้นความจริงท่านบอกเหิือกมกันเพราะจำไม่ได้ต้องมาทวนตอนหลังนี่ว่าบอกเลิกค น, นนั้นมันเลิอกอะไรกันต่ก็บอกว่าเลิกต้นเป็นเพชฌฆาตเกแล้วก็วันนั้นเป็นวันสามสี่ส่วนเด็กที่ไหนที่ไหนเขาก็มีความเลิกเรือง ก, กัน มีความพร้อมเพียงกันนั่ น, นแสดงว่าคำว่าพระเจ้าฆ่าเริกเป็นเรื่องที่เราจะต้องราดประหารศันนตรูให้ที่น่าตไปและนับตั้งแต่เวลายี่สิบสามนาฬิกาสามนาทีเป็นต้นไปเป็นราชาเิยนี่ก็หมายถึงความว่าถ้าเราจะต้องประสบกับสงคราม นั้ปราบปรามไริราชสัตว์แต่ว่าในที่สุดเราจะสู้ข้าสิ็ได้และเราก็ชะนะ่าตกอยู่ในฐานะความเป็นราชาคือความเป็นใหญ่ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าให้นั่งงที่นี่จนกว่าจะถึงยี่สิบสี่นาฬิกาหรือว่ายี่สิบสี่นาฬิกาไปแล้ว เองจะลุกจากที่นี่ได้เพื่อรับรองเรื่องนั้นตอนนี้ก็ชักสนุกสนุกกับท่านเมื่อท่านสนุกแล้วก็เลยสนุกกับท่านไปด้วยสนุกแบบไหนสนุกก็ดูเทว ด, ดาร้องนำทำเพลงแล้วก็มีทั้งเทว ด, ดามีทั้งพรมมีทั้งอะไรเสร็จ โวก เ, เราก็มีตั้งแต่ยศพลโทลงมาว่ากันตามลำดับหรือว่าท่านผู้วางข บ, บัญชาพลเอก <c oughs> หมายความว่าท่านเป็นผู้วางข บ, บัญชาพลเอกนี่จะหมายถึงว่าท่านผู้แบมือั่วสตังพลเอกเราเล่นกันตั้งแต่เด็กเล็กทั้งเหล็กใหญ่เป็นหน้าที่สนใจสแสดงน้ำความเลื่อนเลย ในวันนั้นทั้งประเทศก็ถือว่าเป็นวันเด็กในเมื่อเป็นวันของเด็กผู้ใหญ่ก็เลยลอยเป็นเด็กไปด้วยช่วยกันเป็นเด็กี่เหตุผลที่จะวันทึกในข่าวนี้แล้วก็ตอนไม่ตอนหนึ่งก็มานั่งคุยกันถึงว่าไอ้เรื่องการเกิดการตายมันท่ายเข้ามาเท่าไหร่ส <c oughs> ำหรับบคุคคลคนหนึ่ง จะได้ว่าประถับไล่เบี้ยกันไปถึงประวัติศาสตร์อยุธยาก็เป็นอันว่าหาคนรูร้เรื่องประวัติศาสตร์อุตยาว่ามีกี่ราชการไม่ได้ว่าราชการไหนท่าเวลาเท่าไรตั้งแต่หนึ่งทิสุดท้ายราชการไหนเปราชการทัศนการไหนทว่ า, าวอะไรไม่รู้เรื่องกัน <c oughs> เป็นอันว่านักเรียนนักศึกษา จนกระทั่งจบ ป, ป, ปริญาก็ปรากฏว่าลืมประวัติศาสตร์หมดที่ตอนลืมประวัติศาสตร์นี่มันก็ชักยุ่งฉะนั้นในตอนนี้จะขอทบทวนประวัติศาสตร์สนิดหน่อยแต่เรื่องพศนี่จะไม่จะไม่นำมาบอกเพราะเรื่องพศนี้รู้สึกว่าจะยุ่ง ใหยุงย่งๆอยู่นิดหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าพอสอนี่ดูจะไม่ค่อยจะเข้าทานนะเพราะก็ต่างคนต่างต่างตัง้งกันเองนะมั้ง <c> ภ <oughs> าคเหนือบอกพอสอไว้อย่างหนึ่งแต่ว่าภาคตะทีบทักประวัติศาสตร์ปรเปเขียนว่าสอายอย่างหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นอันว่าเรื่องพศอเอนี่ยแน่นอนไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยเราถูกฆ่าสิกรุกรานโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพมา่าพม่านี่จะมาเผาขลางไปหมดแน่นอนยุ่งยุ่งในเรื่องประวัติศาสตร์ในตอนนี้จะขอประมวลมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสำหรับเรื่องโยนกคนครสมัยพระเจ้าพังกราชพศพังไปเลย ความจริงในตอนนั้นใกล้สมัยที่พระพุทธเจ้าอนิพพานเพราะว่าเป็นการเสียบเนื่องกันมาจนกระทั่งถึงสมัยพระเจ้าพังคราชนี่จะมีพอสอประมาณสักเก้าร้อยปีคือพระพุทธเจ้านิพพานไปประมาณเก้าร้อยปีหรืออาจจะไม่ถึงดีก็ได้แต่ว่าตามประวัติศาสตร์ตักสักพันปีกว่ามันก็ค น, นรื่งองกันไปแล้ว นี่จะขอเอาประวัติศาสตร์มาเป็นธรรมศาสตร์ตอนนี้ก็จะขอพูดบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์จะขอเอาเรื่องย่อมาพูดดัง น, นี้ว่าสมัยสุโขทยัย <c oughs> สมัยสุโขทยัยไทยออกจากนาจากรานาามันแล้วว่าเข้ามาตั้งอยู่ในดินแดงของขอมและขมง พศออทุ่งห้ อ, อยงั้นไงพศหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดขุนบางกลางเท่าพ่อเมืองยางกับขุนผามเมืองลาดพ่อเมืองพชรบูรณ์ครอบที่จริงแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นกับสมิญแล้วก็ตีเมืองสุขโขทยัยเมืองน้าด่านของขอมชาวเมืองยกขุนบางกล า, า, างเท่าคงตึงกริย์ ทรงพระนามว่าคุณสีอินท ร, ราทิตแล้วก็มาพอศหนึ่งพันแปดร้อยหนึ่งเจ้าเมืองฉอดตีเมืองสาครคุณสีอินท ร, ราทิตออกทนช้างสร้างพลาดขุนรามกำแพงโอรสเข้าป้องกันชนะนทีสุดมาพอศหนึ่งพันแปดร้อสองพระโรคที่หนึ่งคือคุณศีอินท ร, ราธิตสวรรคต อรสของลกทรงครองราชแทนเป็นมีพระ น, นามว่ า, พ, า, พ, า, รราพระเจ้าปาราลาดคือพระรุ่งที่สองคุนบานเมืองข้อ๒๑๘๒๐พระเจ้าปา ร, ราลาดสวรรคตพระอนุชาครองราชต่อสมพระ น, นามว่าคุณรามคำแหงพระเจ้ารามคำแหงพระร่วงที่สาม พันพศหนึ่งพันแปดร้อยสิบห้าพระเจ้าพระเจ้างวันสีง้อห้องเตยเดิลุกขบไลาขานทรงราชย์โทษจากจีนมาเจริญพระราชมัตรีพศหนึ่งพันแปดร้อยี่บหกพระเจ้ารามํำแหงคิดหนังสือไทยสิ้นพศหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบ พระเจ้าพระเจ้าขุนรามคำแหงยกทัพไปช่วยสยามเมืองรายรบอนาจากลานนาคือฮาริสินไพรกุญแจพอศหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสามเกิดสงครามระหว่างสุขโขทัยกับขมเมน้นยังได้อนาจากละโวคือตีเข้ามาถึงลบุรีพอศหนึ่งพันแดร้อยสามิเจ็ด พระเจ้าคุณราค้ำแหงเสด็จสเสกสีนเป็นข้างแรกมอบให้คุณวังมกะโทรักษามละครต้มีมอบมาเคยที่และมกะโทก็ลักพาพระราชิดาหนีไปตั้งตัวเป็นกษัตริย์ที่เมืองเมตตมะพระเจ้าคุณราค้ำแขงเสด็จกลับมาถึงจึงจัดงานราชาวิเศษมกะโทให้เป็นพระเจ้าฟารัว และมอนขึ้นกับไทยไมายความปกครองประเทศมอญทศหนึ่งพันแปดร้อยสี่สิบสามพระเจ้ารุนรามกัมแหงสเสด็จประเทศจีนเปนขั้งที่สองทศหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบพระเจ้าขุงรามกัมแหงสวรรคตถาจะโอร้ยครองแทนจงก็ น, นาว่าพระเจ้าผลเลอไทยคือพระรัชที่สี่ พอสอ 1,861 นั่นหลวงปะบางเวียงจัน์เวียงคํานครศีสำราชเป็นต้นแข็งเมืองพอตอนนั้นประว่าพระเจ้าขุนรามกลงแข็งในตียันโน้นไปปกครองที่สิงกโปร์พอสวรรค์คตลงเขาก็ไม่เกรงเขาแข็งเมืองขึง้นพอสอ 1,862 พระเจ้าแสนเมืองมิ่ง พระลูชาพระเจ้าฟารัวผู้ครองราชต่อจากพระเจ้าฟารัวซึ่งขึ้นกับไทยพเตีเมืองตะนาวศรีก็มาสวายไปไม่ยอมขึ้นโดยแยพอแข็งเมืองธนิกาตนมิเอกราชสีอีกพศหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบสามสร้างเมืองซากังราวคือนเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองลูกหลวงให้อรศกร ตั้งขุนลิไทเป็นมหาอุปราชแห่งสุขโขทยัยพศออ1089พระรามาทิบ ด, ดีโอทองโกสีวิศยาสีธนาวศีกัถวายได้พระเจ้าเลอไทยส่งทูดมาเจริญราชมารีพศออ1897พระเจ้าเลอไทยสวรรคต โอรสสององคิงราชสมบัติพระเจ้าลิไทชนะเชียงลิขสวรร์าชทรงพิจารณาว่าพระเจ้าศรีสุริยปงอรามมหาราชอรามมหาธรรมกิริราชทรงพิจารณาว่าเจ้าศรีสุริยปงรามมหาธรรมกิริราชสรุปที่ห้าเรียกกันทารโทษทั่วไปว่า พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระบรมราชานะแล้วต่อมาถ้าบอกว่าพระบรมราชาพรงั่วถ้าคุณหลวงพระงวัวแต่งกรงสีตียารบกับพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งแต่ต ว, ว่าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งรักษากรงสุโคไทยได้ทุกครัง้งในรัยการนี้ได้เชิญพระมหาสวรรณจารังกา มาปรับปรงรูปธรรมศาสนาตั้งรัฐที่สยามวงโดยใช่หลักจากลัฐที่หลังกาวงสืบเนื่องมาจากทุวนันนี้เป็นอนุภาพระสงค์ของเราเวลานี้เรียกว่าลังกาวงแต่ได้ว่าที่หลังกาเขาเรียกว่าสยามวงเวลาเขาย่าบเกนเราไปตั้งนอกจากนั้นก็ทรงสร้างพระพุทธชินราชที่เสนอโลก ถ้าพระเถรินัสสีที่นํามาไว้ที่วัดบวรนิเวศถ้าศีลสักกวเลสีนำมาไวท้วววว ท, ท, ไวที่วัดสุทัศน์ในรัชกาลนี้ดีมีพระเถรีหิงจากลังกามาด้วยได้รับมาและพอสอนหนึ่งพันเก้าร้อยสามพระร่วงที่ห้านี้ได้ส่งในผลไตรภูมพระร่วง <c oughs> ความจริงท่ า, านบัณฑรตส่งเองท่านประชุมพระให้รวบรวม นึกว่าตอนนั้นเป็นการสังเกตน า, รตากกนรรพระติวิตรกันปรับปรุงพระธรรมกันมากเป็นสมัยพระธรรมแต่ว่าในการนี้ปรากฏว่ามีขุนหลงพระงลูกเข้าไปร่วมอยู่ด้วยนึกว่าเวลาที่เข้าไปตีตีเขาไม่ได้ทีนั้นก็ทําใหม่ทำท่าทางใหม่เป็นนิสันดีกว่า เขาไปหาใช่ลิงเรึ่งลิงของคุณหลวงก็โง่เนี่มันจะเล่นแต่ลิงก็ไม่มีกระดูก <c oughs> แล้วมีลีลาดีมีอาจารย์อจิญญ ก, กรรมดีไม่ถือตนว่าเป็นเจา้าไม่ถือตนว่าเป็นใหญ่เมื่อทําอะไรเขาไม่ได้ก็ทําใหม่ทําหนักไม่ได้ก็ทําเบาถ้าไปร่วมปรึกษาหารือกับเขาตอนนี้เอาไว้ก็ไว้ว่ากันทีหลังนะ เป็นอร่วมทั้งการสร้างพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีท์พระสัจญมนีแต่พอศหนึ่งพันเก้าร้อยสามพระโรคที่ห้านี้ได้ทรงในคนใจโผด้วยความเชย่อใจชาเขาทรงกันพอศหนึ่งพันเก้าร้อสิบเก้าพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งสวรรคตโอรสครองราชสมบัต น, นามว่าพระมหาธรรมราชาที่สองคือพระโรคที่ห พศ1 9 2 1พระบรมราชาพระงว่วดีได้สารกราวพระมหาธรรมราชาที่สองยอมเป็นเมืองขึ้นอยู่ร่วมในนาจาักรไทยตงสเขียาเป็นอันว่าขุนหลวงพระงว้วนี่เป็นนักรวมไทยไม่ได้แพร่อำนาจเพื่อประโยชน์อะไรเห็นว่าไทยจะแตกเป็นกิ่งเป็นกา้านเป็นสาขา เวลาจะมีอะไรเกิดเรื่องขึ้นมามันก็ยุงไทยน้อยสูส้กันอื่นก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงพยายามหาทางที่จะรวมไทยเข้ามาให้เป็นไทยเดียวกันไม่ได้มีความประสงค์ที่จะเป็นใหญ่เป็นโตนี่เป็นลทัทธิขอนักรวมเมืองคุนหลวงทัาง่ว้อนี่ถ้าจะพูดกันไปจริงจริงท่านพูดพว ท, ท่านพูดเท่าเล่าให้ฟังนะหรือว่าไม่ได้อาตมวัศาสตร ท่านบอกว่าคุณหลวงพระงว้วนี่ก็คือพระเจ้ากรมมหาราชทนเองมันจะเล่าฟังนี่ไม่ใช่รู้เองเนะเป็นคนพูดเท่าเล่ากันมาต่อๆกันมาฟังกันมาแล้วจะรวบรวมมาเล่าให้ฟังนี่หมายความว่าท่านพูดเท่าที่เล่าฟังนั้นท่านจะเล่าฟังถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบเพราะท่านก็จำจำมนตลอดมามีหลายๆลายคนผสมเสียกันแล้วก็จะคุยฟัง เพรนั้นว่าสกโขไทยมีกษัตริย์ปกครองต่อไปอีกสององค์คือพระมหาธรรมราชาที่สามและที่สี่ที่เรียกกันว่าพระร่วงที่เจ็ดและที่แดแล้ววงพระร่วงก็สิ้นสุดลงเมืออ่อพศหนึ่งพันเก้ารอเจ็ดสิบเรื่องพศนี่บอกแล้วนี่บอกว่าไม่แน่นอนนักจะอะไรอะไรแน่นอนไม่ได้ จะเชื่อไม่ได้นะเพราะว่าว่าอย่างนี้ก็ว่ า, วามันทรงเดชแต่มันจะไปยุ่ยงยุ่งจะไม่มีแมันก็จะไม่ดีต่อมาสมัยกรุงศรีสียาราชกิการที่หนึ่ง<ม>ก็ได้แก่พระเจ้าอุทองคือวสันหนึ่งพันแปดร้อยเก้าส 1, ิบพระเจ้าอุทองทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาใช่ไหมนี่ไม่ตอนเราแล้วเรื่องประวัติศาตร์เขามีอยู่แล้ว และพศ 1,893 สร้างกรงศรีดิยาสำเร็จ like พระเจ้าทองครองราชย์สมงบาทสมพระนามว่าพระรามาธิบดีที่หนึ่งความจริงพระเจ้าทองนี่ก็เป็นพระเจ้าเหลนเขาพระเจ้ากรมมหาราชจำไปด้วยนะผู้เฒ่าเล่าฟังไปกันเป็นพระเจ้าเหลนเหลินนั่นแหลงก็ไนม่เล้ มาพอศหนึ่งพันแปดร้อยสา่สิบห้าได้นครนิสมาสตีนครนสิสมาเข้ามารวมกันแล้วก็นครจันทบุรีได้เขมนมาเฟืองเป็นเมืองครึ้นครั้งแรกใช่หสำหรับราชการดีสองของกรุงศรีสิยาพอศหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสองพระรามาทิบรีที่หนึ่งคือพระยาวุธรสวนาคศ พระเมศอ๋อสวนพระราเม๋อวนราชโอรสครองราชแทนแตอนนี้มาสําหรับวารีการที่สามเมื่อพศหนึ่งพันเก้าร้อสิบสามพระราเม๋อวนถวายราชจจสมบัติแด่สมเด็จพระบรมราชาธิราชคุณหลวงพระงัวซึ่งเป็นพระบตมลาสดาจุลินลงเป็นอนวุวา รัชยการที่สองเทวไวรัชสมบัติรัชยการอีก 2, าา ส, มสกามให้ดูดูความเป็นอนุตานะที่เราคุยกันใีเจะรู้เรือคุยเรื่องธรรมศาสตร์แต่เอาประวัติศาสตร์มาเป็นธรรมศาสตร์แล้วก็ต่อมาพศหนึ่งพันเก้าร้อิบสี่กองทัพนะตรงยกกองทัพไปตีภานะคเหนือขนม้วงวัวนี่ชนะทั้งหมด หมายความยึดสุขโขทัยได้แล้วก็พอศ1915ทรงยกกองทัพไปตีได้นาคอนพังคาและก็แสงสาวพอศ1916ทางซากงราวแข้งเมืองกำแพงเพชรแล้วก็ทรงปราบได้รับขาดพอศ1918ตระเวนตีที่สุนโลกมีไครชนะเอาละติด แล้วก็พศหนึ่งพันเก้าร้อสเก้าทรงยกทัพไปตีสากังราวมีใครชนะพศหนึ่งพันเก้ารอยี่สิเอ็ดทรงยกทัพไปตีสากังราวชนะพระมหาธรรมราชาดีสองสุโภ ท, ทยัยยึดหมดพศหนึ่งพันเก้าร้อยี่ิบสามตีเชียงใหม่เจ้าเมืองนครลำปางยอมเป็นเมืองขึ้นนี่รัชการที่สามจำให้ดีนะ มองดูเวลาหมดเวลาแล้วนี่ก็ข อ, อุสิว่าจะเกณฑ์เรนนี้คอยรับฟังเทบหน้าต่อไป